เทศนาแผนที่82ดลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรรธานีสแสดงทางในวันที่ 1. มิถุนายน2 5 5 8นมีชื่อเรื่องว่าขอร่วมค้น วันนี้เห็นคณะจัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานเข้ามาทําบุญที่วัดแล้วก็อบคุณ <c oughs> พี่น้องจากจาตรุรทิศล้นหลามแต่ทิ้งยังไงก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายให้สังเกตนี่แหละวันนี้หลวงพ่อรวยนะ <c oughs> เอออติเลกรลาบอาหารบินทบาตล้นหลาม หลวงพ่อเองก็อยากจะเตือนพี่น้องลูกหลานทุกคนเหมือนกันอำเภอนายูงของพวกเราในช่วงที่ยางราคามันแพงฮะ เ, เราก็ควรจะเก็บหอมลอมริบเอาไวา้ไม่ใช่ว่าได้มามากก็ใช้ลุยชูแชกใช้มากเมื่ อ, อาขายยางราคาตกแล้วก็หน้าจ่อยหงไว้เงามันก็ไม่น่าจะถูกเราต้องรู้จักเวลามันขึ้นแล้วก็ตักแล้วก็เก็บ เ, เวลามันพองลงไปเราก็รู้ว่ามันพองอมันมีขึ้นมีลงโลกเนี่ย เ, เราก็เอาของเก่าออกมาใช้ เ, เหมือนกับ น, น้ำโขงนะ่ะไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นตลอดทั้งปีไม่ใช่เวลามันบกพองมันก็พองเดี๋ยวนี้ไปดูสิเห็นตะโคถินน้ำโขงของเรานี้ก็เหมือนกันนะอะอิติเลกราบมีขึ้นมีลงวันนี้หลวงพ่อรวยเลยมาเนี่ยรับ เยอะเลยแต่หลวงพ่อก็ไม่ตื่นนะคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานเพราะมันมีหมา ก, ก็มีฉันอิ่มเดียวเท่านั่นแหละถึงจะมีมากกับฉันอิ่มเดียวแล้วก็งดฉันมื้อเดียวฉันแต่เมื่อเช้านะก็จบเลยจากนั้นที่มันเหลือก็เอาแจกลูกแจกหลานแจกญาติพี่น้องสัทยาญาติโยมแต่ถึงยังไงวันนี้ขอบอกกล่าวให้กับคณะกรรมการหรือว่าสัตยาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหา ลูกหลานในบ้านในวัดของพวกเราให้ช่วยดูพี่น้องให้ทั่วถึงอาหารมีตังเยอะแยะแต่เมื่อเรายัางไม่ได้ทานอาหารอย่เพิ่งเก็บแจ ก, กให้ทั่วถึงซะก่อนกินให้อิ่มซะก่อนมันเหลือยังค่อยเอาคิดว่าน ำ, นำเอาไปที่อื่นแต่ถ้าว่าอาหารยังไม่ได้ทานอาหารแย่งกันอิลุงตุงนังไม่ถูกนะไม่ได้นะไม่ถูกนะ ไม่ใช่กฎระเบียบของหลวงพ่อนะไม่ใช่น้ําใจของหลวงพอนะ่อหลวงพ่อเนี่ยอยากจะให้กินทั่วถึงทั่วถึงให้อิม่มให้พอที่หลวงพ่อเอาไว้ก็เหมือนกันเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้เอาไว้เพื่อหลวงพ่อนะเตรียมเอาไ ว, ว้ว่าตรงไหนที่มันขาดตกปกพ่องที่มันจุดมันบกพร่องดูแล้วแจกมาแล้วมันยังบกพร่องเนี่ยหลวงพ่อก็จะให้คณะกรรมการไปดูซิไปตรวจ ด, ดูซิดูให้ทั่วถึง เอาลงไปจุดนั้นจุดที่มันพร่องอยู่นั่นแหะแน่หลวงพ่อดูไม่ใช่มาดูให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหลวงพ่ออิ่มแล้วมองไม่เห็นใครเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะนาจะทาย ญ, ญาติโยมลูกหลานเพราะนั้นลูกหลานของหลวงพ่ออินเนี่ยดูไรทั่วถึงมีน้ําใจต่อกันรักเคารพเมตตากันพวกเราอยู่ด้วยกันถึงจะห่างไกล ไกลกันก็ยังคิดถึงกันเพราะเหตุว่าเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเพราะมีน้ำใจต่อกันนะแต่ถ้าว่าคนคิดต่นี่ยทีเนี้ยต่อกันมีแต่เห็นแก่ทวนอยู่ด้วยกันไม่ได้นะอยู่ด้วยกันกันนะไม่มีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีกันหาความหวังดีหาความเมตตาต่อกันไม่ได้หาความสงบสุขไม่ได้ในชุมชนกลุ่มนั้นนะแลววันนี้เป็นวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งดังที่หลวงพ่อได้ปรารพก่อนที่จะสมาทานศีลวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2558วันวิสาขาบูชามีวันเดียวเท่านี้ในปีหนึ่งปีนี้ก่าปี2558เป็นวันครบรอบของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาบรมครูของพวกเราเวียนมาครอบรอบ 2,558 ปีพระพุทธองค์ปรินณิพานนะวันนี้ก็เป็นวันที่ประสูติก็คือวันเกิดแล้วก็วันตัดสรู้ธรรมคือท่านได้สำเร็จปริญญาเอกเอ ก, เอกในโลกเลยไม่มีหนึ่งไม่มีสองนะ mm hmm. อีออ่า่วตัดได้รอบรู้ได้ตัดสรู้วิ ช, ชาความรู้เป็นเอกเออวันนี้แล้วก็ เป็นวันดับขันปรินิพานคือวันตายของพระพุทธเจ้าือวันนี้คือสามวันมาครอบรอบคือวันเดียวกันทั้งประสูตร์ทั้งตรัสรู้ธรรมทั้งปรินิพานเพรา ะ, ะนั้นชาวพุทธทั่วโลกทุกคนให้ความสำคัญว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเพรา ะ, ะนั้นพวกเราคณะสัต า, ญญาติโยมทุกหมู่เหล่าที่หลวงพ่อได้เห็นที่ศาลาของเรา มาจากจาตุรทิศล้นหลามได้มาแสดงออกซึ่งความเคารพสักการะาในพระพุทธไตยเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะามาถึง <c oughs> เป็นพุทธบริษัทก็ได้มาสมาทานศีลเป็นเบื้องต้นไหวพระแล้วก็มาทานศีลศีลคือคืออะไรก็ศีลคือรักษากายวายจาของเราให้เรียบร้อย ก่อนที่จะทำกาทานศีลพวกเราก็ได้ทําทานก่อนนะไม่ลบแปลว่าวันนี้เราจะทําให้ครบทั้งสมอย่างคือทานศีลภาวนา อ, อ, อันดับแรกพวกเรามาถึงแล้วก็ไหว้พระประธานออเสร็จแล้วก็พวกเราก็เตรียมตัวใส่บาตรในเมื่อพระสงฆ์ออกบิณฑบาตเราก็ได้ทําทานตักบาตรพระสงฆ์เกือบ40รูป37 3สิรูปพระของเราในวันนี้นะ <c oughs> จากนั้นพวกเราก็ได้ตักบะเสร็จแล้วก็เลยมาไหว้พระสมาธานศินสมาทานศีลห้าสม า, าสารศิลอุโบโสถคือรักษาศีลแปอันนี้ก็คือให้ฐานและก็รักษาศีลแต่ตอนเย็นวันนี้หลวงพ่อเองจะพา น, นาําคณะสัตยาติโยมพระเนนกล่าวคำสการะในวันวินวสาขาบูชาที่สลาหลังนี้แหละสลานอกหลังนี้แหละ <c oughs> ถ้าว่าท่านผู้ใดจะมาร่วม าทำพระทักษิณประพุทธปฏิมาเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลในชีวิตของพวกเราก็มาได้นะเชิญตามสบายมาได้มาร่วมกันกับครวะสักการะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นเย็นวันนี้พวกเราเมื่อเสร็จแล้วกพวกเราคงจะได้ไหว้พระ จากนั้นเราก็จะได้นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติให้ครบทวนบริบูรณ์ทั้งสามอย่างคือทานศีลและภาวนาด้วยนี่นสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวพวกเราได้ศึกษาได้ฟังตั้งแต่โบราณโบราณรากการที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวมาพวกเราก็ยอมรับ ว่าหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะมีเหตุมีผลจริง เ, เป็นสวากาตธรรมจริงในเมื่อเราได้วิเคราะห์ดูแล้วทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานทั้งที่ของได้มานรวยยากาพกระองค์บอกว่าถ้าว่าพวกเราไม่มีน้ําใจต่อกันต่างคนก็ต่างผู้ที่รวยกว่าไม่ใช่ว่าคนที่จนจน จ, นจนแล้วไปทานให้คนรวยไม่ใช่ ผู้ที่จนเราก็เอาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ถึงยังไง <c oughs> ก็ต้องมองผู้อยู่ใกล้ให้แบ่งกันอยู่กันกินในครอบครัวของเราให้มีการเสียสละอันนี้ก็คือฐานะแต่ผู้ที่รวยกว่ามีฐานะดีกว่าก็ต้องมองดูที่ผู้มีฐานะยากจนกว่ากันเสือเผื่อแผ่ผู้ที่น้อยกว่าให้มีให้ได้มีอยู่มีกิน อันนี้แหละคือฐานะทาวัตคนเราไม่มีการเหลียวมองกันเลยเผู้ดีผู้ที่มีมากกับมีแต่โ ก, กยโกงกินกันเรื่อยๆอันนั้นไม่ได้นะไม่ใช่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกให้เฉลือเผลือแพร่กันนี่แหละคือทานะให้อภัยทานอามิชทานธรรมทาน <c oughs> ธรรมทาน วิทยาทานมีหลายทานนะคือการทําบุญทำทานมีหลายทานวิทยาทานคือคือให้ความรู้ที่เขาด้อยกว่าเราก็ให้ความรู้กับเขาแนะนําเขาวิทยาทานท ร, รมทานกันวิธีแนวแนะแนววิธีการปฏิบัติให้เห็นศีลเห็นาธรรมอภัยทานถ้าเขามาทําเรื่องไม่พอใจให้กับเรา เราก็ให้อภัยซะเมื่อเขามาขอโทษเราเราก็ให้อภัยอภัยทานอา mith ทานก็คือการให้อามิคือข้าวน้ําโภชนาอาหารปัจจัยสที่เขาด้อยกว่าเราก็สงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ออขเขาอันนี้เรียกว่าอามิ t h ทานเนี่ยนวท า, านะทานะทานเนี่ยมีหลายอย่างนะการนัาญญาตตายาโยมลูกหลานศีลอย่างที่พวกเราเรารักษาเนี่ยนะศีลห้า แต่ที่ยังไงวันนี้ให้ ร, รักษาสินห้ามาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์น ะ, ะถ้าว่าเรารักษาได้ชั่วช้างกระทบหูชั่วงูแลบลิ้นคนโบราณขาวาย่างนั้นนะแตยังเป็นสินยังเป็นคุณงามความดีอยู่ถึงจะประเดียวประดาวก็ยังเป็นคุณงามความดีอยู่แต่เหมือนกับทาความชั่วทําความชั่วประเดียวประดาวก็คือความชั่วสิ่งที่มันไม่ดีด่าเขาเออกไปคำหนึ่งนั่นแหคือมันไม่ดี คำนั้นคำมันไม่คำมันไม่ดีอันนี้ก็เหมือนกันถ้าถ้าพูดเป็นวาจาสุภาพอ่อนโยนถึงพูดคำเดียวก็คือคำนั้นดีวาจาดีการกระทาดีคิดดีอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีศีลก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลเรารักษาศีลก็คือไม่คิดฆ่ากันถ้าเราคิดฆ่าคนอื่นคนอื่นคิดฆ่าเราเนี่ยจะหาความสงบสุขไม่ได้ ถ้าเราไปขโมยของเขาเขามาขาโมยของเราก็หาความสงบสุขไม่ได้เราไม่เคารพสามีภรรยาคนอื่นเขาเขาไม่เคารพสิทธิสามีภรรยาของเราเราก็หาความสุขไม่ได้ถ้าเราไปโกหกเขาเขามาโกหกเราก็หาความสงบสุขไม่ได้ในชุมชนกลุ่มนั้นเราดื่มสุลาขาดสติเมื่อขาดสติแล้วเสียหายทั้งหมดเลยเอเหมือนกับซาลาหลังนี้แหละ ไม่มีหลังขาคนที่ขาดสติคือคนไม่มีความยับยัง้งคือคนขาดสติในเมื่อคนขาดสติถ้าทำความชั่วทุกอย่างเสียหายทุกอย่างในเมื่อสลาหลังนี้ไม่มีหลังคาเสียหายทุกอย่างที่อยู่ในนี้เพราะเหตุไรเพราะทนผลตกแดดลงมาก็ลงมาเปี้ยงพื้นสลาเลยไม่มีของมุงบังนี่ก็เหมือนกันสติเป็นเครื่องมุงบังเขาเราจะคิดอะไรก็มีสติ เอ๊ไม่ควรจะทาไม่ควรจะคิดไม่ควรจะพูดมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองแต่ถ้าว่าคนไม่มีสติเรื่องราวอะไรพูดออกหมดเ อ, อเรื่องที่ไม่ควรพูดก็พูดออกเพราะอะไรเพราะคนขาดสติเนะียมันเสียหายหมดเลยนะเนี่ยนี่แหละข้อศีลข้อที่ห้าเนี่เป็นศีลที่ยับยั้งเป็นศีลที่มีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นขอให้ฝากไว้กับคณะจตหา ย, ยายมลูกหลานทุกคนนะ เรื่องศีลห้าเป็นศีลคุ้มของโลกมาแต่ดึกดำบรรพเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเสร็จแล้วท่านก็ได้ประกาศพระศาสนาประกาศพระธรรมคําสอนออกมาจากนั้นกับพระสงฆ์ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่จากนั้นพวกเราก็ได้ฝังได้ศึกษาจากพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์แนะนาสั่งสอนพวกเราก็ยอมรับ ว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นสวากขาตธรรมจริงตรัสไว้ดีตรัสไว้ชอบออถ้าวัานนามาประพฤติปฏิบัติแล้วมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขท่วหน้ากันเพราะฉะนั้นพวกเราจึงลงหุ้นลงทุนแสดงตัวว่าข้าพระเจ้าคนหนึ่งขอเข้าหุ้นบริษัทนี้จึงพวกเราจีตั้งชื่อว่าพุทธบริษัท เมื่อเราลงทะเบียนบ้านนับถือศาสนาอะไรศาสานาพศนะแล้วเราก็บอกอย่างนั้นเพราะอลไยเพราะเรามั่นใจเรานับถือเรื่อมใสวันธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมคำสอนที่ถูกต้องเป็นธรรมเรายอมรับนะแต่ศาสนาอื่นละ่ะศาสนาอื่นกับศาสนกอื่นเขาก็ต้องยอมรับในความคิดของเขาเพราะโลกนี้มันานานาจิตตังานานาทัศนะ จะให้เหมือนกันไม่ได้จะให้ทุกคนในโลกมานับถือพพุทธศาสนาทั้งหมดก็ไม่ได้แต่เรายอมรับเราได้ศึกษาเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็ได้ปฏิบัติดูแล้วเรายอมรับว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระธรรมที่นำผู้ปฏิบัติให้ร่มเย็นเป็นสุขทั้งกายทั้งวาจาทางใจถท่าที่ผู้ใปฏิบัติแล้วเพราะนั้นพวกเราจึงยอมรับ นับถือยอมตัวแบบเข้าอยู่ในบริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกพุทธบริษัทเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตายาธิวรมลูกหลานทุกคนน่าประกอบคุณงามความดีสั่งสมคุณงามความดีชีวิตนี้เนาะเนีชีวิตนี้น้อยนักเจ้าพกุลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ท่านชินพัชชนท่านตรัสเอาไว้ชีวิตนี้น้อยนัก มาพิจารณาดูตามพระธรรมคำสอนของท่านแล้วก็ใช่น้อยจริงๆริต่างนี้หลวงพ่อ เ, เดี๋ยวนี้นะ อ, อ, อายุเทา่าไหร่เจ็ดสิบเ็ดเข้ามาแล้วนะลูกหลานนะปีนี้นะย่างเจ็สิบเ็ดแล้วจากนี้ไปแปดสิบปีเป็นยังไงคนแปดสิบปีพวกเราเห็นไหมหมดสภาพนะอีกจา ก, จากนี้ไปสิบนปะีไม่ไม่นานนะไม่ถึงแปดเก้าปีก็ถึงละสิบปีแล้วเป็นยังไงนี่แหละพวกลูก พวกลูกหลานทั้งหลายทุกคนก็เหมือนกันเดินตามหลังหลวงพ่อไปเรื่อยๆนะ เ, เดินลําเดินตามหลังหลวงพ่อไปเรื่อยๆเพอๆอาจจะ แ, งแซงแงคิวอีกต่างหากนะเซงคิวหลวงพ่ออีกต่างหากเาพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะธรรมญาติโยมลูกหลานทุกคนเนาะประกอบคุณงามความดีตายแล้วไม่สูญในคํานี้แหละให้ฝังเอาไว้ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเทนตรัสเอาไว้ว่าตายแล้วไม่สูญเนานะ ให้ศึกษาให้เรียนรู้แล้วให้ปฏิบัติหลักธรรมคาสอนของเราตถาคตเนี่ยไม่ใช่ศึกษาเรียนรู้เท่านั้นนะให้ลงมือปฏิบัติถ้าผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เห็นได้รู้จริงเหตุจริงมีแต่คาดคะเนดเดา เ, าเอาไม่ใช่นะไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ในยุคก่อนนั้นแล้วเพราะนั้นให้พวกเราลงมือปฏิบัติ ถ้าเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วนะศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัติพวกเราจะรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมคําสอนของพุทธะน ะ, ะต่อนนี้ไปพระสงฆ์เจอาโมทนาให้พร อ, อุทิศส่วนกุศลเนะวันนี้เนอะเป็นวันสําคัญพวกเราได้มาร่วมกันทําบุญมากมายพระสงฆ์ก็มากมายหลายองค์ให้พวกเราอุทิศส่วนกุศลต่อบรรพชนของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศสาคราญาตดญาติมิตรหาย เรานึกในใจหรือจะไม่มีน้ำนะไม่มีน้ำกวดเอาน้ำใจเออข้าพเจ้าออได้มาทำบุญในวันนี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้แสดงออกทางกายทางวาจาและทางใจใ ห, ให้ทานรักษาสินด้วยบุญกุศลที่ข้าพ เ, เจ้าประกอบคุณงามความดีในวันนี้ขอให้วงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศากณนาญาิญาดมิตรสหาย ของข้าพเจ้าที่ตกทุกข์ขอขอให้ผลจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิงๆขึ้นไปขอให้หน้าที่การงานของข้าพเจ้าอย่าได้มีอุปสรรคนานับประการให้ราบรื่นให้เป็นธรรมให้ถูกต้องอย่าได้มีอุปสรรคด้วยเดิร์ดด้วยด้วยเทิร์ดสิ่งเหล่านี้ให้พรเอาทิศส่วนกุศลให้คนอื่นด้วยให้ตนด้วย และก็บผู้มีอุปกรณคุณทั้งหลายด้วยทุกคนนั่นแหละนะ เ, นเมื่อเรามาทําบุญไม่ใช่ว่าทําบุญที่นี่แห่งเดียวนะไปทุกแห่งทุกคนอนะเวลาเราทําบุญเสร็จแล้วเราให้ตั้งจิตให้ดิฐานอุทิศสวนกุศลทุกครั้งนะอันนี้คือเป็นพลังเป็นพลังทางด้านจิตใจมันมองไม่เห็นนะขันติธาญาติโยมลูกหลานนะทําบุญกุศลมันมองไม่เห็นแต่ถ้าเราทําดีนั่นนะบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้ว ไปนทิน้ไปสถานที่ใดทินใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะเย็นอกเย็นใจนะสิ่งที่มันจะเป็นจะเป็นพิษเป็นภัยก็ เ, เป็นคุลไปแ้าว่าจับแค่ว่าจ้างหายไปด้วยคุณงามความดีของเร า, เ, าเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราได้มาทาบุญในวันนี้นะทุกทุกท่านนะให้ ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ประกอบสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจตัวเองอันดับแรกจากนั้นกอทิศสนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณให้พวกดวงวิญญาณทุกท่านจงประสบแต่ความสุขตลอดถึงเจ้าเทพไปเจ้าเหล่าเทวาทั้งหมดนะผู้ที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าประกอบคุณงามความดีสิ่งใดก็าตามที่เป็นกุศลทุกอย่าง ขอให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายให้มีส่วนในการบุญกุศลของข้าพเจ้าทุกครั้งนะเออกขานาดนั้นเลยนะเ อ, อมันไม่หมดเลยหลวงพ่อนะมันไม่หมดหรอกพนะระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วท่านบอกว่ามีเทียนอยู่เล่มหนึ่งถ้าใครมาจุดเทียนมาจุดเทียนออกจากเทียนของเราเล่มนั้นนะ่ะไฟของเราบกพ่องไหมไฟของเราบกพ่องไหมไม่บกพร่องพระเจ้าค่ะเขาได้ไปเต็มไหม เต็มพระเจ้าค่ะเออ น, นั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วนะข้าราชการญาติโยมลูกหลาน